พอสติตามไม่ทันปั๊บมันก็เข้าไปในความขุ่นมัวเกิดขึ้นมาจากการกระทบแล้วสติตามไม่ทันจิตมันถึงขุ่นตอนนั้นแต่ถ้าเราได้ฝึกสติรู้เท่าทันปัญญารู้เห็นในตัวขุ่นโดยใสเนี่ยหน้าที่ของสติปัญญาไม่ได้ไปทําให้น้ําขุ่นกลายเป็นน้าําใสแต่หน้าที่ของสติปัญญาคือรู้ทันแล้วตักน้ำตักน้ําออกตักน้ําขุ่นออก ไม่ใช่เป็นสารเคมีไปใส่กวนแล้วมันจะตกตะกอนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นสมถ ะ, ะถึงจะใสแต่ข้างล่างมันขุนอยู่พอไปกวนแรงๆมันก็ขุนขึ้นมาอันนั้นเขาเรียกว่าสมถะสงบแบบสมถะเหมือนเอาสารส้มไปแกว่งน้ําขุนมันใสอยู่แต่มันใสแต่ข้างบนมันดูสงบเรียบร้อยแต่ข้างนอกแต่ข้างในมันยังขุนอยู่นั่นคือสมถะแต่วิปัสนาที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ย คือไม่ต้องไปเอาสารส้มไปแกวง่งแต่มีรู้สติรู้เท่าทันเพียงแต่ตักเอาน้ําขุ่นที่มันออกมาผสมกับดินเรนปากบอ่อเนี่ยตักออกอย่างเดียวแล้วน้ําใสที่มันออกมาเดิมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแทนนั่นมันจะใสตลอดถึงจะกวนเท่าไหร่มันก็ยังใสไม่เหมือนกับน้ําใสที่เป็นตกตะกอนกวนแล้วก็ขุ่นเหมือนเดิม แล้วขุนน่าเกลียดด้วยเป็นก้อนๆด้วยนะซึ่งเราตรงนี้ชัดเจนมากนั้นคนที่ยังลังเลสงสัยในวิธีการแบบนี้มาว่าเรียวกว่า บ, บุญวา ส, สนายัางไม่พอเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาไม่รับนะแต่ว่าบุญวา ส, สนายัางไม่พอก็ต้องไปทําทคําบุญวา ส, สนาในที่นี้คืออาจจะเกี่ยวข้องกับปัญญาบารมีขันติบารมีไม่ใช่ฐานบารมีศีลบารมี ที่เขารับยังไม่ได้คนเขาก็จะอาจจะมีการให้ทานมีการรักษาศีอย่างดีแต่ว่าความศรัท ธ, ธาและสติปัญญาที่จะเข้าใจรายละเอียดตัวนี้ยังไม่พอจะทำยังไงก็ต้องอาศัยความอดทนต้องบําเพ็ญคันติบรารมีทนทํำไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองจะเกิดอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่วาสนาบรารมีอย่างน้อยก็เพิ่มซึ่งจะมาได้ กล่าวหลายๆครั้งว่าหลวงพ่อหออลวงพ่อกลมเนี่ยปฏิบัติมาเป็นแบบนี้มันเป็นปีเศษแล้วเนี่ยจนก็ยังไม่เข้าใจอะไรยังไม่หายสงสัยก็ท้อไปเวลาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าอทำไม อ, ะอ่ะเวลาบอกว่าหลวงพ่อผมผมไม่มีวาสนาบารมีที่จะเข้าใจธรรมะได้ผมทำํำมาเป็นปีเศษแล้วในวิธีการเนี่ยมันก็ยังไม่รู้อะไรผมจะออกไปสร้างวาสนาบารมีไปศึกเพราะจะเป็นพระ หลวงตาที่รา ม, มาบทอายุห้าสิบกว่าเกือบหกสิบนะหลวงพ่อเทียนก็ย้อนถามบอกว่าหลวงตาวาสนาบารีแปลว่าอะไรก็แปลว่าสิ่งที่เราเคยสั่งสมมาก่อนชาติแล้วชาตินู้นที่เราเคยสั่งสมมามาชาตินี้มันก็ปฏิบัติได้ไวขึ้นหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าถ้าหากเรารู้ว่าวาสนาบาลีเราไม่ดีในอดีตทําไมเราไม่สร้างในแบบบัตรนี้ทําไมไม่เริ่มสร้าง ไปสร้างขันติบา ร, รมีมีความอดทนความคิดมาให้อดทนดูมันความปวดความเมื่อยมาก็เฝ้าดูมันแก้ไขมันไปอันนี้คือสร้างขันติบา ร, รมีสร้างศรัทธาบา ร, รมีสร้างปัญญาบา ร, รมีในอดีตในชาติเราไม่รู้เนี่ยสร้างมาด้วยความไม่รู้าอาจจะสร้างพูดผิดถูกๆูมันถึงไม่มีกําลังแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าศสนาบา ร, รมี ค, คือความขยันความอดทนแล้วขยันไปอดทนไปในเราขยันด้วยความรู้อดทนด้วยความรู้บารมีนี้มันก็จะเพิ่มได้เร็วท่านว่า พรอกครัก็เลยได้กำลังใจไม่คี้สึกก็เลยไปให้ไปเก็บอารมณ์ได้สิบสี่วันอพอดีวันที่สิบสี่อย่างบ้านเขาเปิดห อ, อกระจายข่าวใช่ไหมเสียงที่ห่อกระจายข่าวมาทบุบหูท่านท่านเข้าใจเรื่องรูปนามและตั้งแต่มาก็จนปฏิบัติจนถึงทุกวันอยู่กับพ่อเขียนมาตอนที่ท่านแก่มาเนี่ยเมื่อก่อนก็มาอยู่ธรรมาทิวาถ้ำตอนท่านอายุมากขึ้นมาก็ไปหาหลวงพ่อเขียน ก็เดี๋ยวนี้อายุเท่าไร0ก้าสิบ่าแล้วที่คนที่ไปสุขกโดหลายคนคงเห็นนะเดินถือไม้เท้าหลังองหลังงอๆงงงนั่นแหละหลวงพ่อกลุ่มนั่นแหละคือคนเริ่มสร้างวาสนาบา ร, รมีในชาตินี้แล้วก็เข้เขาเข้าสัมผัสธรรมะได้ในชาตินี้เพราะนั้นอย่าไปท้อในกรณีที่เรายังรอมยอมรับของพ่อเทียนไม่ได้ก็มีสองกรณีหนึ่งยังไม่มีศรัทธาสองปัญญาโลภุตระยังไม่พอ ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีปัญญาโลกิยะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ฉลาดมากแต่ถ้าปัญญาโลกุตระเนี่ยบรญญยังไม่เกิดเนี่ยจะเข้าใจไม่ได้อะไรคือปัญญาโลกุตระปัญญาโลกุตระคือตัวการภาวนาคือลงมือทําด้วยความบทนุนแล้วโลกุตระปัญญามันจะเกิดแต่ว่าโลกิยะปัญญาเรื่องรู้เรื่องเรียนเรื่ององ่อานเรื่องเขียนเรื่องอวิชาการหลักการตําราอะไรต่างๆมันเป็นโล กิยปัญญาแต่ว่ามันไม่ไม่มีประโยชน์ในแง่องการมาชําระจิตมีประโยชน์ในแง่การพูดกันเถียงการถกกันเอาชนะการทางด้านเหตุผลเท่านั้นแต่ในแง่ของจิตเนี่ยมันไม่สามารถชําระได้ปัญญาโลกุตระแต่ปัญญาโ ล, โลกุตระปัญญาสามารถชําระได้แต่โลกิยปัญญาไม่สามารถชําระจิตให้หมดจดได้อันนี้คือหลักในวิธีการนะ เะใ น, นช่วงเช้าวันนี้หลังจากนี้ไปไม่ทราบว่าทางอาหารเช้าทั้งนอกพร้อมบอกด้วยจะได้ออกไปรับอาหารเช้าเลยนะใครช่วยประสานแล้วก็ถ้ า, าถ้าหากว่าเราทานอาหารเช้าเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเท้าเสร็จออกมาก็จะพาเดินจูง ก, กลมรอบวัดสักสักรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จ หายเสียธุละก็เดินไปรออยู่ข้างล่างสามแยกข้างล่างเราไปตั้งตนนะุลนั่นตุลนั้นไปรอตรงนั้นยังไม่ก็เดินจูงกลุมนั่งสร้างจังหวรอเพื่อนบางคนอยู่ท้ายอาจจะช้าหน่อยตอนนี้ก็ขอนโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายว่าที่เราค้างที่นี่เราได้ฟังได้ยินในสิ่งที่ดีๆแต่เช้าเนี่ยก็เป็นกําไรเป็นอนิสงส์ที่เราได้มาที่นี่ ส, ส่วนเรื่องตัวเงินตัวทองเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญว่าเรามาแล้วเราได้อะไรกลับไปนะ่สำคัญฝ่าถ้าหากเราได้สิ่งนี้กลับไปมันเป็นอริยทรัพย์ถึงแม้ว่าเราจะเอาโคคทรัพย์มาถวายแต่ว่าไม่มีค่าเท่ากับอริยทรัพย์ที่เราได้กลับไปนะก็ขออนุโมทน า, ากรบพระพร้อมกัน